บัดนี้เมื่อจะแสดงการประกาศพระธรรมจักรจึงกล่าวว่าพระมหาบุรุษทรงดำริถึงโพธิญาณหนึ่งหนึ่งว่าสัมมาสัมโพธิญาณได้กำจัดมนทินทั้งสิ้นแล้วและเมื่อว่าโดยความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งเป็นคุณอันเราได้แล้วอย่างดีแน่แท้ทรงยังความสุขที่เกิดจากผลต่างๆให้น้อมไปอย่างนี้ตลอดเวลาเจ็ดสัปดาห์ ทรงรับอาราธนาของพรมแล้วได้ทรงประกาศ พ, พระธรรมจักรในป่าอิติปาัตานะมรุทายวันในสาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้พระมหาบุรุษพอบรรลุพระสัพพันยุตยานอย่างนี้แล้วประทับนั่งเปล่งอุทานด้วยกำลังปีติทรงดําริอย่างนี้ว่าเราท่องเที่ยวไปเป็นเวลาสี่อสงไขยหนึ่งแสนกับเพราะเหตุแห่งบรลังนี้ นี้เป็นบรรลังของเราเป็นบรรลังแห่งชัยชนะเป็นบรรลังอันเป็นมงคลเมื่อเรานั่งบนบรรลังนี้แล้วเราจักไม่ลุกจากบรรลังนี้ตราบเท่าที่ความดํารมฤตยังไม่บริบูรณ์แล้วประทับนั่งเข้าสมบัตินับได้หลายแสนโกดบนบรรลังนั้นแหลตลอดสัปดาห์ซึ่งพระอุบาลีหมายเอากล่าวไว้ว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข โดยบัลลังก์เดียวตลอดสัปดาห์ครั้งนั้นเทวดาบางพวกเกิดความปริวิตกว่ากิจที่จะต้องทําของพระสิทธถะยังมีอยู่แน่นอนจนถึงวันนี้พระสิทธถะยังละความอาลัยในบัลลังก์ไม่ได้ลําดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความปริวิตกของเทวดาทั้งหลายจึงเสด็จเหาะไปในอากาศแล้วทรงแสดงยมกปาฏิหารเพื่อระงับความวิตกของเทวดาเหล่านั้น ครั้นระงับความวิตกของเทวดาทั้งหลายด้วยปาฏิหาริย์นี้อย่างนี้แล้วได้ประทับยืนณทิศปาจีนเฉียงทิศอุดอรจากบันลังนิดหน่อยทรงพิจารณาว่าเรานั่งบนบันลังนี้แล้วได้พระทัพพันยุติญาแล้วสถานที่นี้เป็นที่บรรลุผลแห่งบา ร, รมีทั้งหลายที่เราบำเพ็ญมาแล้วเป็นเวลาสี่อสมไขหนึ่งแสนกับ แล้วทรงมองดูบรรลังด้วยพระเนตรอันไม่กระพริบทรงให้เวลาผ่านไปตลอดสัปดาห์สถานที่นั้นชื่อว่าอะนิมิสเจดีต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตสถานที่จงกรมในระหว่างบัรลังและสถานที่ประทับยืนเสด็จจงกรมณที่จงกรมอันเป็นแดนต่อจากทิศบูรพาและทิศปัดฉิมทรงให้เวลาผ่านไปตลอดสัปดาห์ สถานที่นั้นชื่อว่ารัตนจังธรรมเจดีในสัปดาห์ที่สี่พวกเทวดาได้พากันเนรมิตเรือนแก้วทางทิศปัจฉิมจากต้นโพพระผู้มีพระภาคเจา้าประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาธรรมที่เรือนแก้วนั้นทรงตรวจดูชนผู้ควรแนะนำแล้วได้ทรงเห็นหมู่สัตว์24จำพวกซึ่งใครๆกำหนดนับไม่ได้ ทรงดำริว่าสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ในสีแล้วทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยสมาธิจเจริญวิปัสสนาด้วยปัญญาแล้วจะยังลงสู่อริยะภูมิได้แล้วได้พิจารณาวินัยบิดกที่แสดงศีลจากนั้นทรงพิจารณาตุตันต บ, บิดกที่แสดงสมาธิจากนั้นทรงพิจารณาอาภิธรรมบิดกซึ่งแสดงปัญญาซึ่งมีในอันไม่มีที่สุด ทรงพิจารณาธรรมสังคินีเป็นต้นแล้วทรงพิจารณาสมันตะปัฏฐานยี่สิบสี่ตามลําดับพระพิธามีเจดทัมภีท่านก็พิจารณาตั้งแต่ตั้งแต่สังขนิปรกรณ์วิพังปรกรณ์าธาตุกถาแล้วก็ประธาวัตถุปุกระบัญญัติยมกแล้วก็ปัฏฐานตามลําดับนะปัฏฐานก็เป็นสมันตะปัฏฐานยี่สิบสี่นเอง เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาสมัญต์มหาปฐฐานพระยาณก็ได้โอกาสเพื่อแสดงอานุภาคเหมือนปลาติมีคณะประมาณหนึ่งพันยอได้โอกาสเพื่อพลิกตัวในมหาสมุทรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาทำอยู่อย่างนี้พระโลหิตก็ใสแจ๋วพระฉัพพนรังสีก็ได้เปล่งออกจากพระสรีระทุกส่วนแน่นไปสองโลกทั้งหมดจนสว่างสวัย พระรัศมีสีเขียวเปล่งออกจากพระเกศาที่เวียนอยู่บนพระเศียรตามสภาพเล่นไปสู่อากาศเหมือนสายทานน้าสีดุจแก้วมณีสีเขียวพระพระรัศมีสีแก้วประพานก็เปล่งออกจากฝ่าพระหัตต์ฝ่าพระบาทและพระมังสะริมพระโอส์เหมือนสายทานน้าสีทองพ่นออกจากพระสรีระทุกส่วน พระรัศมีสีขาวที่เปล่งออกจากพระอุณาโลมและพระนขาเป็นสายรัศมีขนาดเท่าลำตาลขนาดเท่าล้อรถขนาดเท่าเรือนยอดแน่นออกพุ่งไปส่องโลกธาตุมิใช่น้อยจนสว่างทั่วถึงกันดุดวงโค้งสายรุ้งหนึ่งแสนวงและดุดดวงจันดวงอาทิตย์หนึ่งแสนดวงปรากฏขึ้นพระองค์ทรงพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องเหมือนอากาศอันไม่มีที่จุด เหมือนแผ่นดินหนาเหมือนน้ำลึกทรงให้จบลงโดยเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันด้วยยาณคติอันเร็วพลันสถานที่นั้นชื่อว่ารัตนคระเจดีพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าทรงให้เวลาสี่สัปดาห์ล่วงไปณนะโคนต้นโพนั่นแหละอย่างนี้ในสัปดาห์ที่ห้าได้เสด็จจากโคนต้นโพเข้าไปยังต้นอชปาระนิโครธพระองค์ทรงประทับนั่งพิจารณาธรรม เวยวิมุตติสุขอยู่ในที่นั้นต่อจากนั้นได้เสด็จไปยังโคนต้นมุจจรินเมื่อเกิดฝนตกพลัมเจ็ดวันพญานาคมุจจรินขนดวงรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ็ดรอบเพื่อป้องกันความหนาวเป็นต้นพ ร, รพระองค์ได้ประทับนั่งเสววิมุตติสุขดุดประทับอยู่ในพระคันธกุฎีที่ไม่คับแคบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เวลาผ่านไปในที่นั้น ตลอดเจ็ดวันแล้วได้สเสด็จเข้าไปยังโคนต้นราชายตนะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่นั้นตลอดเจ็ดวันด้วยเหตุประมาณเท่านี้เจ็ดสัปดาครบบริบูรณ์แล้วในระหว่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรงบ้วนพระโอษฐ์ไม่ได้ตรงชำระพระสรีระไม่ได้เสวยพระกยาหารทรงให้ผ่านไปด้วยความสุขอันเกิดจากฌานและผลนั่นเอง ครั้นวันที่สี่ิเก้าซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเจ็ดสัปดาห์ทรงชำระพระโอษฐ์ด้วยไม้ชำระฟันนาคาราดาและล้างพระพัดด้วยน้ำจากสระอนดาที่เท้าสกตะจอมเทพน้อมเข้าป่าถวายและประทับนั่งณโนะคนต้นราชายตนะสมัยนั้นพ่อค้าสองคนชื่อตปุตสะและพันลิกะถูกเทวดาซึ่งเป็นญาติสาโรหิตชักนำให้เกิดอุสาหะ ในการถวายอาหารแด่พระศาสดาได้ถือเอาข้าวตูผงและข้าวตูก้อนเข้ามายืนเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์รับอาหารนี้เถิดพระเจ้าข้าเพราะบาทที่เทวดาถวายให้ได้หายไปในวันที่รับข้าวปายาสนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำริว่าพระตถาคตทั้งหลายจะไม่ใช้พระหัตรรับประเคณ เราจะใช้อะไรรับประเคียนอาหารนี้ล้ำดับนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่จากสี่ทิศทรงทราบอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงได้น้อมบาตรสี่ใบที่ทําด้วยแก้วมณีสีเขียวเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงปฏิเสธบาตรเหล่านั้นพวกท้าวมหาราชจึงได้น้อมบาตรอีกตีใบที่ทําด้วยศิลาที่มีสีดุดถูเขียวเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ เพื่ออนุเคราะห์เทพบุตรทั้งสี่นั้นแล้วทรงรวมเข้าเป็นบาตรใบเดียวกันก็ทรงอธิษฐานนะให้เป็นบาตรใบเดียวสรงรับอาหารด้วยบาตรที่ทําด้วยศิลาอันมีค่ายิ่งนั้นสเสวยแล้วทรงอนุโมทนาพ่อค้าสองพี่น้องนั้นถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นธรณะแล้วได้เป็นดเววาจิก ok. อุบาสกก็เป็นอุบาสกคู่แรกที่ได้ถึงเอ่พระ สารณะไตรนะเป็นผู้ที่มีวาจาสองก็คือถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงพระธรรมเพราะว่าพระสงคงนี้ยังไม่มีนะก็ได้ทูลขอสิ่งที่เป็นเครื่องน้อมระลึกถึงแต่พระพุทธเจา้า พ, พุทธเจ้าก็ทรงรูปพระเศียรส่งประธานพระเกศาแปดเส้นนะแปดองค์ให้แกตาปุสะแล้วก็พันธิกะไปครั้งนั้นพระศาสนาเสด็จไปยังโคนต้นอชาปารนิโครดนั่นแหละ แล้วประทับนั่งที่โคนต้นนิโครธพอเมื่อพระองค์เพียงประทับนั่งณที่นั้นแลทรงพิจารณาความที่ทำซึ่งพระองค์บรรลุแล้วเป็นธรรมลึกซึง้งวิตกที่พ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงประพฤติมาแล้วที่เป็นไปโดยอาการคือความไม่ประสงค์จะแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเกิดขึ้นว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตระแะละเอียดบัณฑิตจึงจะพึงรู้ได้ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมซึ่งชนเหล่านั้นจะไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราดังนี้ทีนั้นเท้าสหัมบดีพรมได้ทราบความปริวิตกแห่งพระทัยของพระทศพลด้วยใจแล้วจึงเปล่งวาจาว่า ท่านผู้เจริญโลกจะชิบหายท่านผู้เจริญโลกจะพินาศไปแล้วหนอผู้อันหมู่พรหมและเทพในมื่นจกักรวาลแวดล้อมแล้วตามด้วยเท้าสกตะเท้าสุย า, ามะเทพบุตรเท้าสันดุสิทเทพบุตรนิมมานาราตีเทพบุตรและปราิมิตวัสวัตตีเทพบุตรทั้งหลายแล้วมาปรากฏเบื้องพระทักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเทา้าสามบดีพรหมนั้นได้เนรมิตแผ่นดินเพื่อเป็นที่ยืนของตน คุกเข่าขวารงบนแรนดินแล้วประคองอัญเชรีอันรุ่งเรืองเป็นที่ประชุมแห่งเล็กทั้งสิบซึ่งเป็นเช่นกับช่อดอกบัวที่เกิดในน้ำอันไม่มีมนทินไว้เหนือพระเสียรกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าจงโปรดแสดงธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุรีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรม จักมีผู้รู้ธรรมเท้าสหบดีพรมได้กราบทูลเป็นคาถาประพันธ์ความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีสมัญตะจากสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสีลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรสเสด็จขึ้นสู่ปราศาสคือธรรมอันมีอุปมาฉันนั้นแล้วจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความโศก และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นําหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมาตะธรรมนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมลทินได้ตรัสรู้แล้วตามลําดับแล้วได้กระถาทูลว่า พระองค์ดำริว่าเราตัดสู้แล้วจะช่วยเหล่าสัตว์ให้รู้ข้ามพ้นแล้วจะช่วยเหล่าสัตว์ให้ข้ามพ้นแล้วจะช่วยสัตว์เหล่าสัตว์ให้พ้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าจะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่จะรู้แจ้งพระธรรมในตารนานี้โดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเราจักบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วพ้นแล้วจักนำพามนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามพ้น บำเพ็ญบารมีทั้งหลายแล้วได้บรรลุพระสัพพยุตยานและได้ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยนมากมายเป็นต้นอย่างนี้ว่าเมื่อพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมคนอื่นใครเล่าจักแสดงธรรมคนอื่นจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีเกเล่นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของชาวโลกได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับคำทูลอารัธนาของเท้าสหัมบดีพรมนั้นแล้ว ต้องมีกําลังคือการุณาอันเบิกบานในเวลาอันประมาณไม่ได้ทรงมีพระละสิบทรงมีปฏิปทาที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงเกิดพระมหาการุณาด้วยเหตุเพียงทาโอภาสด้วยเหตุเพียงทำโอกาสในสัตว์ทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อันพมทวนอารัธนาก็ทรงแสดงธรรมทรงเกิดความกรุณาในหมู่สัตว์แล้ว ประสงค์จะแสดงธรรมจึงได้ตรัสคาถาเชื้อเชิญมหาพรหมทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านมหาพรหมเพราะเราสําคัญว่าจะลําบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ประณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ลําดับนั้นท้าวสามดีพรห ม, ม, มทราบว่าพระผู้มีพระภาเจ้าได้ทําโอกาษ เพื่อทรงแสดงธรรมจึงประคองอัญเชอรีที่รุ่งเรืองด้วยนิ้วทั้งสิบทวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทั่ประทัดศีลมีหมู่พรหมแวดล้อมเสด็จหลีกไปครั้นพระศ า, าสดาพระทาปติญญาแก่พรมนั่นแล้วมีพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอเกิดพระดำริว่าอาราณบทเป็นบัณฑิตเขาจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วพัน ทรงตรวจดูอีกก็ทราบว่าเขาได้ตายไปแล้วเจ็ดวันและทรงรู้ว่าอุทะกะดาบทได้ตายแล้วเมื่อเย็นวานนี้ทรงนึกถึงพิกษุปัญจวคีอีกว่าบัดนี้พิกษุปัญจวคีอยู่ณที่ไหนหนาทรงทราบว่าอยู่ที่ป่าอิติปัตนะมรคทายวันกรุงพารณาณสีเมื่อราตรีสว่างแล้วในวันอาสารหะทรงถือบาสนนะจีวรแต่เช้าตรู่ เสด็จไปยังหนทางประมาณสิบแปดโยต์ทอดพระเนตรเห็นอุปการชีวกในระหว่างทางจึงทรงเผยความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแก่อุปการนั้นแล้วเสด็จไปยังป่าอิติปัตนะในตอนเย็นวันวา น, วนในตอนเย็นวันนั้นเองพระองค์ได้ประกาศความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแม้ในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังพุทธาอารที่ประเสริฐอันปูราดแล้วรับสั่งเรียกที่ตุปัญญาวคีมา แล้วทรงแสดงธรรมจักกับปะวัตนสูตรบรรดาภิกษุปัญจวคีนั้นพระอัญญาโกณทัญญะเทระได้ส่งญาณไปตามทํานองแห่งเทศนาในเวลาจบพระสูตรก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลพร้อมกับพรมสิบแปดโกดก็เป็นผู้ที่เป็นประธานในการบรรลุในความเป็นมนุษย์คนเดียวนะแต่ว่าพวกพรมนี้สิบแปดโกดก็ได้บรรลุตามๆกัน การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่อุปกรชีวกนั้นก็เพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้อุปกรชีวกนั้นหวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ไปครองเรือนมีบุตรคนหนึ่งชื่อพิชิกะกับลูกสาวของในพานนะชื่อนางจาปาตอนหลังก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นสหายเรียกพระพุทธเจ้าว่าอนันตชินะนะ ก็ตนหลังก็มาบวชบตรภรรยาก็มาบวชหมดได้บรรลุเป็นพระทันสนอุปกาชีวกก็ได้บรรลุเป็นพระนาคามีณนาจุติแล้วด้วยเกิดในโมโล ก, ก็บรรลุเป็นพระฐันทันทีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงธรรมอย่างนี้ทรงอาศัยกรุงพารณาณสีภรรษาที่หนึ่งประทับจำปาษาที่ป่าอีสิปตระบรุษคทายวันนั้นภรรษาที่สองทรงอาศัยกรุงราชคลึ ประทับจำปันษาที่พระเวรุวรรมหาวิหารซึ่งพระเจ้าบิณิสานก็ทูลถวายเป็นวัดปฐมอาปรปฐมวิหารปฐมอารามเป็นเป็นแห่งแรกนในพระพุทธศาสนาในพรรษาที่สามที่สี่ก็ประทับจำปันษาที่พระเวรุวรรมหาวิหารนั่นและพรรษาที่ห้าต้งอาศัยเมืองเวสาลีประทับจำปันสาที่กูตาคาหาลาป่ามหาวัน พรรษาที่หกประทับจำพรสาที่มกุละบรนพต์พรรษาที่เจ็ประทับจำพรสาที่พบดาวดึงไปโปรดพระมารดาและก็เทวดาทั้งหลายพรรษาที่แปดตงอาศัยพระคะสงสุมารักีระประทับจำพรสาที่เพชกะาวันพรรษาที่เก้าประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีพรรษาที่สิบประทับจำพรรษาที่ราวป่าปาลิเลยกะพระภิกษุโกสัมพีก็ แต่ร้าวกันเลาะกันทำสังฆเพศพระพุทธเจ้าก็เลยปลิกตัวปลพระองค์ไปจำพรรษานะพระองค์เดียวอยู่กับช้างปา่าฤยยกะอุปถากนะพรรษาที่สิบเอ็ดประทัดจำพรรษาที่บ้านครามเมืองนาราพรรษาที่สิบสองประจำจัอประทัดจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาก็มีได้รับทุกพิกภัยน ะ, ะข้าวหญ้ามาแพงพระพุทธเจ้าก็เสวยข้าวแดง แต่าาว่าพวกเทวดาก็อาหารทิพย์มาหยอดลงมาใส่ลงให้พรรษาที่สิบสาประทับจำสรรษาที่จาริยะ ป, ปัญพศพรรษาที่สิบสี่ประทับจำสรรษาที่พระเชตวันมหาวิหารพรรษาที่สิบห้าประทับจำพรรษาที่มหาวิหารกรุงกบิลพัทพรรษาที่สิบหกทรงทรมาลาระวะกระยะักตให้ตัดแปดหมืนสี่พันดื่มน้ำอมฤตแล้วประทับอยู่ที่เมืองอารวี พรรษาที่สิบเจ็ดประทับจำพรรษาที่กรุงราชคลึ่ยรรษาที่สิบแปดประทับจำพรรษาที่จาริยะบันพนศพรรษาที่สิบเก้าก็ประทับจำพรรษาที่จาริยะบันพศเช่นกันพรรษาที่ยี่สิบประทับจำพรรษาที่กรุงราชคลึ่รวมความตามที่กล่าวมานี้นับแต่ปฐมโพธิการคือช่วงแรกแห่งการตัสรู้ประมาณยี่สิบพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ประจํา พระองค์สเสด็จจาดิไปประทับจำบรญษาในสถานที่ซึ่งมีความผาสุกหลังจาก20ปัญษานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงอาศัยกรงสาวัตถีประทับอยู่เป็นประจำที่พระเชตวันมหาวิหารและบุพพารามรวมถึง25ปัรษานะรวม25ปัญษานะ 25, านาก็ประทับจำประจําอยู่ที่อ า, อารามของท่านอนาาันตปิณิกะพระเชตวัน มหาวิหารนี้ถึง16ปันษาประทับอยู่ที่บุพารามถึงถึง9ปันษานะถึง9ปันาทั้งหมดก็25ปันษาแต่ว่าเมื่อออกภันาแล้วพระพพุทธเจ้าก็จะเด็จจาริศไปเพื่ออนุอเคราะห์แก่มหาชนนะเวลาที่จะเข้าบันษาก็จะมาเข้ากับปันษาที่กรุงสวรรถทีทั้งสองแห่งนี้พระาศาสดาทรงบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วอย่างนี้ ทรงมีพระชนชีพยอยู่ถึง45บรรษาทรงแสดงพระไตรปิฎกตั้งแต่ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรจนถึงบรรทมบนเตียงเป็นที่ปรินิพานแล้วทรงแนะนำสั่งสอนสุพัทธะปริภาชกทรงให้ตัดประมาณ24ตงไขดื่มรสแห่งอมตะมหานิพานทรงทำนี้ให้แก่และตายก็คือไม่ให้แก่แล้วก็ไม่ให้ตายด้วย จึงอยู่ใครผู้มีความสำนึกจะไม่พึงบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมมีพระดำดัด่งไพราะดังเสียงนกกาตะเวผู้สามารถให้ความสำเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาผู้ทรงกล่าวคำจริงและเป็นที่รักเป็นคำแท้และเป็นประโยชน์พันนาเทศนายานในคำภีรชินารังการะที่ให้ความเชิดเพิญแก่สาธุชน จบแล้วด้วยประการชนิก็ขอให้ความพร้อมเพียงด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเกิดจากการมีศรัทธาในการศึกษาในการฟังคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเป็นตัวใจให้ประชุมพร้อมการท้างอธิตศีนอาทิจิตอธิปัญญาเมื่อแบ่งแยกแล้วก็ได้แก่องค์อริยมรรคมีองค์แปดนั่นก็ขอให้ประชุมมัคคะสมังคีได้ตัดรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจากการที่ได้สังสมปตมีมาพร้อมมูลแล้วพ้นจากวัฏจทุกข์โดยทั่วการเทิน สาธุสาธุสาธุ